ขอความสุขความเจริญจงมีแด่ท่านผู้ฟังทายเสียงธรรมจากมห า, ายาลัยศีปทุมกำลังนำเสนอนัดสันติสูตรคือสูตรที่ว่าด้วยการกำจัดเบญจขันธ์คือกำจัดทุกข์ก็เป็นการเสนอของเทวดาคือเราเรียกว่าเทวตาผัสิ ดึงท่านฟังจะสังเกตได้ว่าในอวาทวปาฏิโมกข์ที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงก็ทรงสรุปสองครั้งว่าเอตังพุท ธ, ธานศาสนงแปลว่า น, นั้นคือคำสอนของท่านผู้รู้ทั้งหลายเพราะท่านผู้รู้ที่กล่าวไว้ถูกต้องเป็นสุภาษิต เป็นการกล่าวที่ดีที่ชอบพระพุทธศาสนาก็รับรองบัณฑารมองว่าเรื่องนี้ทำไมจึงมาปรากฏในพระไตรปิฎกได้เพราะว่าเทวดาได้กราบทูลแล้วก็อนราทานไปนแล้วก็ไม่มีพระรูปใดร่วมฟังอยู่ด้วย คือมันมีเงื่อนไขของพระอนุนเทระอยู่ก่อนที่พระอนุนจะรับเป็นพุทธอุปถาแล้ขอพอพระพุทธเจ้าไว้ข้อหนึ่งคือแปดข้อเนี่ยในข้อหนึ่งบอกว่าเวลารพรูพเจ้าแสดงธรรมแก่ใครที่ไหนอย่างไรโดยท่านไม่ได้นั่งฟังอยู่ด้วยขอให้พระพุทธเจ้าได้ ทรงแสดงธรรมะนั้นแก่ท่านอีกครั้งหนึ่งเพื่อได้จำทรงไว้แล้วเมื่อมีใครมาสอบถามก็จะตอบได้เพราะันาสิทธิ์เทวดาภาสิทธิ์เนี่ยที่จริงก็พระเจ้าได้ยินอยู่พระองค์เดียวกับเทวดาที่กล่าวเทวการที่มาสู่สังคารนาได้ก็คือพระเจ้าแสดงแก่พระอนุล พระนุนจำไว้แล้วก็นำมาแสดงในที่ประชุมของการสังคายนาแล้วก็ถ่ายทอดสื่อต่อขันมาจนถึงปัจจุบันเราันแสดงว่าคำสอนนี้เป็นสุภาษิตครั้งสุดท้ายจึงเป็นการออกจากพระโอษฐ์ของพระพุทธเจ้าก่อนที่จะมาถึงพระนุน ก็หมายความว่าพระพุทธเจ้าทรงรับรองว่าเป็นคํากล่าวที่ถูกต้องข้อความในตอนต้นที่กล่าวมาแล้วเนี่ยคือเทวดาได้กล่าวว่าการทั้งหลายในหมู่มนุษย์ที่เป็นของเที่ยงไม่มีบุรุษผู้เกี่ยวข้องแล้วผู้ประมาทแล้วในอารมณ์ที่ตั้งแห่งความไข้ทั้งหลาย อันมีอยู่ในหมู่มนุษย์นี้ไม่มาถึงนิพพานเป็นที่ไม่กลับมาแห่งวัตตะเป็นที่ตั้งแห่งมัจจุเบญญาขันาาเกิดแต่ฉันทะทุกข์ก็เกิดแต่ฉันทะเพราะกำจัดฉันทะคือความพอใจเสียได้จึงกำจัดเบญญาขันาาได้ เพราะกาจัดเบญจขันได้จึงกาจัดทุกได้อารมณ์เงนงามทั้งหลายในโลกไม่เป็นกามสำหรับบุคคลผู้นั้นนี่ก็คือประเด็นที่ได้กล่าวมาเดียวันก่อนข้อความต่อไปทั้งกล่าวว่าความกาหนัดที่พร้อมไปด้วยความดำริเป็นกามของบุรุษหมายความว่าสองอย่าง คือตัวพังกำหนัดเนี่ยมันเป็นเชื้ออยู่ภายในใจมนุษย์แต่ความสามารถดูจิตของท่านเองได้ว่าภายในจิตเรามีความกำหนัดในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในสัมผัสในอารมณ์แต่ว่าใจจะต้องดำริถึงด้วยความกำหนัดความกำหนัดมันเป็นความรู้สึกที่เป็นนามธรรม มันเป็นการมมาธาตุอยู่ภายในจิตก็เป็นกระบวนการที่ได้กล่าวไว้ในวันก่อนว่าเมื่อจิตเรามีการมาธาตุคือเชื้อความใคร่อยู่มันก็เกิดเป็นการมาสัญญาคือจำหมายว่าสิ่งนั้นน่าใคร่น่าปรารถนาหน้าพอใจเมื่อจำหมายอย่างนั้นก็มีการเกิดความพอใจในสิ่งนั้น พอพอใจสะสมมากข้าวก็คิดถึงคือดมริถึงสิ่งนั้นก็เรียกว่ากรรมมาสังกัดปะพอลองสังเกตถ้าเราคิดบ่อยๆคิดบ่อยๆคิดบ่อยๆความรู้สึกความปรารถนาจะแรงขึ้นจนถึงจุดหนึ่งใจมันจะร่าเร้อ น, นั่งนอนไม่ได้กระสับกระส่าย กกลายเป็นเรื่องที่จะต้องแสวงหามาตอบสนองความต้องการของตนก็ เ, เรียกว่าเป็นการ ม, มาปริยสนาแต่ก่อนจะเกิดแสวงหานี่มันเกิดตันหาก่อนคือเกิดกรร ม, มาตันหาก่อนจิตมันดิ้นดิ้นรนทะเยอทะยานอยากเพื่อได้เพื่อมีเพื่อเป็นเพื่อครอบครองเพื่อเป็นเจ้าข้าวเจ้าของพอถึงจุดนึงก็จะมีการแสวงหา แรงกิเลส ท, ที่เกิดขึ้นภายในใจแรงมันก็กลายเป็นพวกอัจฉรกรรมทั้งหลายเราจะพบว่าบางครั้งมันไม่น่าจะแรงขนาดนั้นนะทำไมมันแรงขนาดนั้นมีจากการฉุดคร่าอาจารย์ ข, ข่มขืนก็ทําชาเราล้วก็ค่าปิดปากแล้วเอาไปหมกในที่ต่างๆหรือโหดมากบางทีก็ไปเผานั่งยางอะไรต่างๆที่เป็นข่าวเนี่ย โดยเป็นว่าเป็นกระบวนการของจิตที่มันทํางานของมันพอการได้รับการตอบสนองเนี่ยมันก็ลดความรุนแรงลงมันก็เกิดความกลัวต่อความผิดเลยคิดที่จะเอาตัวให้รอดจากความผิดเหล่านั้นเลยก็ฆ่าปิดปากปิดปากซากศพมันยังเป็นสั ก, กิพยานอยู่ได้ก็สืบสาวจากซากศพได้ก็เอาไป เอานั่งยางบ้างเอาไปฝังบ้างเอาไปทิ้งบ้างอะไรแต่ไรด้วยวิธีการต่างๆก็เพื่อกลบเกลื่อนความผิดของตัวเองแต่ถ้าเรามองให้ดีมันก็เกิดจากจิตที่ดําเริคุณคิดขึ้นเองคุณคิดขึ้นเองแต่คุณไม่คิดมันก็ต่างคนต่างอยู่มันไม่มีอะไรแต่พอเราคิดขึ้นมันก็เป็นอย่างนั้นทุกทีแหละแต่ในกรณีแรกนั้น ก็หมายความว่าท่านดับที่สันทะได้ก็อย่างที่บอกนะฮะว่าถ้าขนาดดับสันทะได้เนี่ยมันต้องเป็นพระนาคามีขึ้นไปเพราะถ้าระดับประโสดับันท่านก็ยังมีคู่ครองพระสักกะคามีแม้จะไม่ชัดเจนว่ามีคู่ครองหรือไม่มีคู่ครองแต่วเวลาคาโทรศัมหะท่านเบาลงแล้ว ท่านไม่มีทางที่จะไปกระทำผิดได้เพราะถ้าผิดในกิเลสมันต้องล้นออกมาก่อนแต่กิเลสไม่ลน้นกิเลสยังอยู่ข้างในเนี่ยกายวาจายัางสงบอยู่ได้วันกิเลประเภทเนี้ยที่จริงมันก็เพิ่มปริมาณขึ้นปริมาณขึ้นมันก็ล้นคลากระเทนน้ำใส่แก้วเนี่ยพอถึงจุดหนึ่งมันก็ล้นแก้วแล้วพื้นตรงนั้นก็จะเปียก เราก็ามคือถ้าเทคื้นเทต่อก็ลามแล้วรสนิยมเรานี้เป็นลีลาทางอารมณ์ที่ถ้าไม่มีเชื้ออยู่ก็ทุกอย่างก็ยุติเพราลองสังเกตว่าถ้าการมาธาตุบรดับการกำหนดหมายว่าหน้าใครก็ดับความพอใจก็ดับความดํารีก็ดับ ความ ร, าวร้อนก็ดับปัญหาก็ดับก็ดับให้เป็นแถวทั้งกระบวนการเข้ามาันคนตรงนี้จึงถือว่าคมมากท่านบอกว่าความกำหนัดที่พร้อมไปด้วยความดำาิษฐ์หมายความต้องสองอย่างฮะใจต้องมีความกำหนัดแล้วดำาิ ด, ด้วยความกำหนัดแม้ใจเราจะมีเชื้อของความกำหนัดอยู่แต่ในกรณีนี้เราไม่ดำาิ การมันก็ไม่เกิดในขณะนั้นนั้นก็ลังสังเกตว่าเราพอใจอยากได้ในรู ป, ปรวัตถุทางหลายแต่ก็เอาก็จริงปรากฏว่ไม่ทุกรูปไม่ทุกเสียงไม่ทุกกลิ่นไม่ทุกรสไม่ทุกสัมผัสไม่ทุกอารมณ์มันอยู่ที่เรากาหนดกาหนดกาหนดซะก่อนกาหนดก่อนจะเกิดกําหนด กำหนวดวรูปสวยเสียงไพเราะกลิ่นหอมรสอร่อยสัมผัส น, น้าจับต้องควากําหนัด ก, ก็เกิดเพราะถ้าเราไม่กํ า, กาห น, นดด้วยความกําหนัดกําหนดด้วยความเฉื่ยไม่เกี่ยวก็สักแต่ว่รูปสักแต่ว่าเสียงหรือว่าเคารพจิตที่อะไ ร, ะรต่างๆเนี่ยมันก็จะออกมาเป็นรูปของศีลเป็นรูปของธรรมะเป็นรูปของความสงบใจจาก กา ม, มาสังกับปะคือความดั บ, บริ่ดมด้วยอำนาจของความใคร่แล้วท่านก็บอกว่าอารมณ์อ ง, งามทั้งหลายย่อมตั้งอยู่ในโลกอย่างนั้นนั่นแหละหมายความโลกวัตถุมันก็คงเป็นโลกวัตถุเราคงได้เห็นได้ยินได้สูดดมได้ลิม้มได้จิมได้จับต้องอยู่ธรรมดา แต่ว่าเมื่อมันมีความชัดเจนแล้วเนี่ยเราอาจจะได้เห็นได้ยินแต่เราจะไม่สุดดมเราจะไม่ชิมเราจะไม่จับต้องแล้วก็เกิดการสํานวมระวังในชั้นสีเห็นไหมว่าในชั้นศีนที่จริงเราได้เห็นได้ยินนะแต่เพราะเรามีศีลปิดกั้นไว้เราก็ไม่ไปล่วงละเมิดอะไร ไอสิ่งโน้นนั้นก็อยู่อย่างสิ่งนั้นอยู่เราก็อยู่อย่างที่เราอยู่ไม่เกี่ยวข้องกันปัญหาอาญากรรมปัญหาการละเมิดศีลก็ไม่เกิดเมื่อไม่เกิดละเมิดศีลมันก็ไม่ละเมิกดกฎหมายเราก็ไม่กลายเป็นคนเลวมันก็มีสิ่งดีงามตามมาเป็นแถวเลยแต่ท่านก็บอกว่าบุคคลผู้มีปัญญาทั้งหลายย่อมกําจัดฉันทะในอารมณ์ทั้งหลายนั้นโดยแท้ หมายความไม่ยังไงหมายความว่าการที่จะมองให้เห็นโทษเนี่ยมันต้องมีปริมาณของปัญญามากพอถ้าไม่อย่างนั้นจะยากมากตามปกติแล้วเราจะหลีกหนีอารมณ์ก่อนแม้แต่พระพุทธเจ้าเห็นไหมจะอยู่ในป่า ก, ก่อน เพราะถ้าเราไปพิจารณากับอารมณ์ต่อหน้าคือบันเอนรูปต่อหน้าหรือพิจารณารูปอย่างนั้นไม่ใช่ทำไม่ได้แต่ทำยากเพราะอะไรเพราะว่าเชื้อมันจะบวกได้ตลอดโดยกิริยาการการแสดงออกใลนลักษณะยุ่ววนต่างๆเนี่ยมันกระตุ้นความรู้สึกภายในออกมา ปริมาณของกิเลสก็จะเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้ น, นถึงจุดหนึ่งก็คุมไม่ได้เพราะั้นดีที่สุดก็คือว่าต้องใช้ปัญญาพินิจเป็นแนาเห็นไหยเราไปเรียนจากแนวกายานุปษษัสสนาสติปษษัฏฐานเนี่ยมันถึงจุดหนึ่งไปเรียนที่ศพเลยเรียนจากซากศพในป่าช้า ก, กันเลยแล้วก็น้อมก็มาหาเราน้อมก็ไปหาคนอื่น แต่ทีนี้ถ้าสติปัญญาเรามากพอเนี่ยมันไม่จำเป็นมันก็นแนวของพระยาศาที่เห็นสาวสรรกำนันในเป็นซากศพแนวของเจ้าชาสิทธัตถะที่เห็นสนุมในวังเป็นซากศพหรือแนวที่เปรวตะเป็นเด็วกวัยวเจ็เดข ว, เเดวบเนี่ยแต่ว่าพิจารณาเทียบเคียงจากญาติทวดอายุร้อยี่สิบ แล้วก็เข้าใจได้ทันทีว่าอีกร้อยสิบสามปีเนี่ยผู้หญิงคนนี้ก็จะแก่อย่างยาสทุกมการแสดงความพิกลพิการความบกพร่องให้ปรากฏออกมาหรืออย่างที่เคยเล่าตัวอย่างพระสุนทรสมุทรนี่ยิ่งใหญ่มากเพราะท่านสามารถพิจารณาภาพผู้หญิงที่ยั่วยวนท่านโดยเฉพาะเลย แต่ถ้าพิจารณาจนกลายเป็นศากศกเราจะเริญปัศนาบรรมิกผลในขณะนั้นได้อันนี้คือมหายุทธสงครามใหญ่ต่อสู้กันภายในใจโอกาสชนะเนี่ยมีน้อยนอกจากว่าบารมีแก่กล้าจริงๆจิตใจหนักแ น, น่นฝึกปรือมาเข้มแข็งพอ เพราะข้อจเราไม่ควรลืมว่าอิสิ ป, ปัตนะคือฤสีมันหล่นน่ะฤสีเลื่อนลอยมาด้วยพิญยาที่เป็นโลกิยแได้ยินเสียงผู้หญิงร้องเพลงกำหนัดในเสียงมองรูปปั๊บกำหนัดในรูปรูปสวยเสียงไพเราะก็กำหนดอย่างนั้นแล้วก็ในที่สุดมันก็เกิดกิจดาร้อน ก็ร่วงลงมาจากอากาศก็กลายเป็นร่องรอยความประยชน์อดสูขของฤาษีเสียเชิงฤาษีก็ติดตาตรึงใจกันอยู่มาจนถึงปัจจุบันผลตามปกติหลักการของพระพุทธเจ้าจึงไม่ให้เผชิญหน้าก่อนแล้วไปเสริมพลังจิตให้เข้มแข็ง เพาอารมณ์ของกรรมฐานนเราสังเกตอารมณ์ของกรรมฐ า, านจะไม่มีอะไรที่สวยงามเพราะถ้าไปดูสวยงามเนี่ยมันจะดูยากมากต้องดูที่ไม่สวยงามแล้วเมื่อชัดเจนแล้วจึงน้อมก็หาสิ่งที่สวยงามไม่ใช่สวยงามมากๆนะฮะต้องต้องต้องดูความเข้มแข็งภายในจิตเรา ว่าเราสามารถจะทําใจได้มากน้อยแค่ไหนเพียงไรแล้วก็ค่อยๆพิจารณาตามปกติแล้วก็ดูศพแล้วก็ดูเรานะฮะไม่ใช่ดูคนอื่นดูศพแล้วก็ดูเราดูเราแล้วก็ดูศพดูศพแล้วก็ดูเราจนเราก็คือศพเราเพียงแต่ศพเป็นตรงนั้นก็คือศพตายแล้วกี่วันกี่วันก็ว่ากันไปแต่ว่าเราวันหนึ่งเราก็เป็นอย่างนั้นแหละ พ้นคำว่าเอวังธโมยวังวเผาบีวังนาติโต้บันงสามครังง่ายๆอะ่ะแต่ยากยากจะทำความเข้าใจยากจะเข้าถึงได้ปัญญาจะต้องมีปริมาณในการพิจารณาเห็นความจริงว่าไม่มีอะไรสวยจริง ไม่มีรูปสวยจริงไม่มีเสียงไพเราะจริงไม่มีกลิ่นหอมจริงไม่มีรสอร่อยจริงไม่มีสัมผัสน่าจะต้องจริงมันเป็นเพียงมายาที่จิตมันปุมขึ้นเท่านั้นเองแต่ว่าถ้าตัดร่างเงายังไม่ได้ก็ยังเสียงไม่ได้อยู่นั่นแหละแล้วก็รักษัแล้วก็กล่าวว่าบุคคลพึงละความโกรธเสียพึงทิ้งมาน้าเสีย เป็นร่วงสังโยชน์ทั้งปวงสคือที่จริงเนี่ยถ้าเราไม่รู้สึกรักเราไม่รู้สึกชังคือมองเห็นว่าสักแต่วรูปเนี่ยมันมันจะไม่มีอะไรให้กระตุ้นให้โกรธเห็นสักวารูปสักแต่วเสียงสักแต่วกลิ่นสักแต่วรสสักแต่วสัมผัสเนี่ยไม่มีอะไรกระตุ้นราคะกระตุ้นโลภะกระตุ้นโทสะกระตุ้ น, โ, นโมหะ แต่เพราะใจเราไปตรึกนึกก่อนรูปมันก็คงเป็นอย่างนั้นแหละแต่เราไปตรึกนึกในแนวที่กระตุ้นกิเลกกิเลกก็เกิดกระตุ้นธรรมะธรรมะก็เกิ ด, ก เ, กดเพราะจริงๆเราเรียนรู้จากเรื่องเดียวกันหมายความว่าคนตกนรกไปก็เพราะนามรูปคนทำความดีก็เพราะนามรูปทำความชื่อก็เพราะนามรูป บางเกิดขึ้นในโสอันก็เพราะนา ม, มารูปบังเกิดในพรมก็เพราะนา ม, มารูปอ ร, รมณ์วัคนิพานก็เพราะนา ม, มารูปเราก็เรียนจากโลกสัมผัสอย่างนั้นแหละตัวการใหญ่มันอยู่ที่ท่าชีที่เรามีต่ออารมณ์หล่อนนั้นมากกว่าตอนอริยมรรคจึงเริ่มที่สัมมาทิฏฐิทำยังไงว่าให้มีปัญญาเห็นชอบ เห็นชบ่บเพาความจริงนั้นไม่มีอะไรสวยจริงไม่มีอะไรงามจริงแต่อย่างที่บอกว่าตัณหาเนี่ยมันเกิดมาจากความเห็นว่าเชี่ยงการมาตัณหาเพราะว่าตัณหาเนี่ยความเห็นว่าสิ่งนั้นสถานะเหล่านั้นแหละมันเชี่ยงมันก็อยากได้อยากมีอยากเป็นเพราะถ้าเรามองเห็นว่าไม่เชี่ยงด้วยยิ่งดีใหญ่ แล้วก็ไม่มีความสุขจริงความสุขก็เป็นเพียงความรู้สึกพเราพอใจมันก็สุขสมาเบเราอะเราไม่พอใจก็ทุกสมเรเบล่าแต่มันไม่ใช่เป็นสากลสมับทุกชีวิตมันก็อยู่ที่ทาทีของเราต่าสิ่งเหล่านั้นว่าเราคิดยังไงอะ ท่านท่านก็บอกว่าให้ละความโกรธแล้วก็ละมานะมานะความถือตัวว่าเราเป็นเป็นผู้เล่ ก, กว่าเขาเป็นผู้เสมอเขาเป็นผู้เลวกว่าเขาแล้วพวกนี้มันจะย่อยออกไปอย่างท่าสามก็กลายเป็นมานะเก้าจะน้มน้าเลิ ก, กว่าเขาก็คิดว่าเราเลิ ก, กว่าเขาเราเสมอเขาเราเลวกว่าเขา หรือเป็นผู้เสมอเขาก็คิดว่าเราเร็วกว่าเขาเราเสมอเขาเราเร็วกว่าเขาหรือเร็วกว่าเขาเราก็คิดเราเร็วกว่าเขาเสมอเขาเร็วกว่าเขาอาการเหล่านี้เป็นอาการที่ละยากมากคนที่ละามานะได้จริงๆก็คือพระระหันเพราะมานะเนี่ยมันมันจริงๆถึงจุดหนึ่งเนี่ยมันคน่อนข้างสร้างอยู่นะ คือสำนึกว่าเราเป็นอย่างนั้นแล้วก็เป็นให้ได้เป็นให้ดีเป็นให้เป็นเป็นให้ชอบมันจะมีความรักศักดิ์ศรีแล้วก็เชื่อมั่นในตัวเองพยายามเป็นเช่นบัณฑสมณะพึงเป็นสมณะที่ดีที่จริงก็มีเป็นอาการเข้ามาหน้าอย่างหนึ่งตราบใดที่เรายังเป็นอย่างอยู่อย่างนี้เราจะไม่ประพฤติไม่กระทำอย่างนี้ วันมาหน้าจริงใช้อาศัยได้แต่อาศัยเพื่อจะละไม่ใช่อาศัยเพื่อจะยึดก็เหมือนกับยานพาหนะที่เราต้องอาศัยเพื่อไปสู่จุดหมายปลายทางในที่ใดที่หนึ่งแต่ไปถึงจุดหมายปลายทางก็ต้องจริงแล้วท่านก็บอกว่าพึงร่วงสังยอดทั้งปวงเสียก็หมายความว่า ให้จิตใจในเหนืออำนาจของสังโยชน์แต่สังโยชน์เป็นเรื่องใหญ่แล้วนะฮะคือคนจะล่วงสังโยชน์ได้สมบูรณ์จริงๆต้องเป็นพระอราหันต์แต่ว่ามันเริ่มล่วงได้ตั้งแต่เป็นพระโสดาบันลงได้เปเรื่อยๆก็จะมองดูถึงสถานะของเทวดาความเป็นมาของเทวดาอย่างที่บอกว่าท่านก็เข้าใจอะไรลึกซึ้งมาก เกื้อมายังมองถึงกลุ่มบุคคลหลายกลุ่มในสมัยพุทธกาลที่มอเฝ้าพระพุทธเจ้าเออเช่นที่ค่อนข้างเด่นมากก็คือลูกศิษย์ของพราหมณ์ภาวรีเป็นมนพสิบหกคนมากราบทูลถามปัญหากับพระพุทธเจ้าแล้วก็เขาบอกว่าพราหมณ์ภาวรีเป็นผู้ผูกคําถามนั่นมา แต่ถ้าเราอ่านจริงๆเราจะเห็นว่าคือบางคำถามเนี่ยมันไม่ใช่ผูกมาก่อนแต่เป็นการคำถามซ้อนขึ้นมาจากคำตอบของพระพุทธเจ้าก็แสดงว่าท่านคิดตัดสินเอาในขณะนั้นแล้วเกิดปัญหาขึ้นไปในใจท่านก็ถามต่อแต่มันแสดงถึงความรอบรู้สูงนะคือตามปกติแล้วคนถามเนี่ต้องรู้ดีกว่าคนตอบ อย่างพระเทศกันเนี่ยพระที่รู้มากกว่าจะเป็นผู้ถามพระที่รู้น้อยกว่าจะเป็นผู้ตอบเพราะว่าผู้ถามจะต้องคุมเกมแล้วเข้าใจประเด็นของปัญหาวิธีตั้งปัญหาเพื่อไม่ให้ผู้ตอบเนี่ยออกไปนอกเส้นทางที่กำหนดเอาไว้ถ้าเกิดออกมันก็ต้องตั้งคำถามตลบกลับเข้ามาเวลาการปฏิบัติเราจึงให้ผู้ใหญ่เป็นคนถาม มันก็เหมือนสังายนาณาในะท้งฝั่งเราสังเกตว่าพระมหากัตะปะเป็นคนถามเป็นผู้ใหญ่กว่าพระอนุรุธพระอนุลบวชก่อนแต่ว่าเป็นผู้ถามสังคายาาขั้นที่สองก็เหมือนกันนะพระเทระเป็นผู้ถามพระผู้น้อยกว่าก็เป็นผู้ตอบแต่ว่าแนวสังายนณาเป็นแนวความจำ หมายความว่าต้องว่าไปตามที่สาธยายกันมาคือที่ตัส่งกันมาเพราะว่าพระที่ร่วมสังฆนานั้นจะต้องสาธยายพร้อมกันก็แสดงว่าที่องค์องค์ทึ่ตอบนั้นก็ต้องสาธยายมาแล้วสาธยายมาตรงกันกับคนที่ต้องสวดต่อกณะที่มาไปชุมกันในกระจำได้หมดเกิดสาธยายกันต่อ การองถามเนี่ยจึงต้องคิดเรื่องใหม่ขึ้นมาแต่ว่าองตอบที่จริงท่านรู้อยู่แล้วถามอย่างนี้คือตอบอย่างนี้ถามอย่างนี้คือตอบอย่างนี้องค์ที่สวดก็รู้แล้วว่าตอบอย่างเนี้เพราะท่านต้องสวดนะก็หมายความท่านก็จํามาก่อนแต่ท่านไม่จํามาก่อนท่านก็สวดไม่ได้ดังนั้นผู้ที่เป็นพระสังฆีติกาจารย์จึงเป็นพระอระหรันต์ ติดแตกฉานในปฏิสัมพิทา์ไม่งั้นทาสังกัจนาไม่ได้หรอกสังกัจนาในเป็นเรื่องใหญ่แล้วก็ท่านก็บอกว่าทุกทั้งหลายย่อมไม่ตกถึงบุคคล น, นั้นหมายความว่าคือทุกเนี่ยมันมั น, ม, นมันเป็นผลมาจากกิเลสเพราะสิ่งที่ท่านกล่าวไว้ในตอนต้นนี่มันเป็นกิเลสเท่านั้นความกลัวก็เป็นกิเลสมานะก็เป็นกิเลสสังโยชน์ก็เป็นกิเลส เกิดจริงก็อยู่ในสังโยชน์นั่นแหละตํารวจผมก็อยู่ในสังโยชน์ความโกรธก็อยู่ในสังโยชน์แต่ในสังโยชน์นี่ท่านเรียกระดับไม่แรงเรียกว่าปฏิฆาเรียกว่าปฏิฆาสังโยชน์ปฏิฆาอนุใสคือไม่เรียกถึงโกธานะฮะโกธะนี่มันแรงส่วนปฏิฆานี้มันลดความเข้มข้นความรุนแรงลงมาแต่ยังก็เป็นพวกโทสะอยู่นั่นแหละ แล้วท่านก็บอกว่าผู้ไม่เกี่ยวข้องในนามรูปหมายความนามนามรูปคงอยู่นะฮะคงมีอยู่แต่ว่าใจไม่ข้องในนามรูปเหล่านั้นไม่มีความรู้สึกว่านั้นเป็นของเรานั้นเป็นเรานั้นเป็นตัวเป็นตนของเราใจมันก็ไม่ข้อง ก็แค่ๆก็เราไปในะห้างสปปรรพสินค้าอะไรต่างๆเนี่ยถ้าใจไม่กำหนดด้วยความชอบเนี่ยมันไม่อยากไม่อยากซื้อแล้วไม่มีใครหลอกที่ไปกำหนดหมดทุกอย่างมันก็อยู่ที่เขาชอบอะไรกำหนดเฉพาะสิ่งนั้นบางครั้งกำหนดไปแล้วก็ดูถึงความจาเป็นดูถึงเงินที่สามารถจะซื้อได้ถ้าความจะเป็นไม่มี หรื อ, อยังไม่คุ้มค่าต่อการจะซื้อก็ไม่ซื้อเห็นแม่ปัญญาจะขึ้นแทรกเราแสดงว่าถ้ามีปัญญากํากับอยู่เนี่มันไปกํากับภูนี้ได้เพียงแต่ว่ามีมากพอต่อการที่จะกํากับกิเลสเหล่านี้ได้หรือไม่ต่อไปจะเป็นอาการนะฮะเป็นอาการ ของคนที่ละโทสะได้ละมานะได้ละสังโยชน์ได้ท่านก็ บ, บอกว่าผู้ไม่เกี่ยวข้องในานามารู้ผู้ไม่มีกิเลสเป็นเครื่องกังวลอนันนี้กิเลสเป็นเครื่องกังวลก็คือตนานามานะทิฏฐิมันกังวลไปบ้านอยู่อีกแห่งหนึ่งแต่ว่าเออบ้านเราเป็นยังไงลูกเมีเเ ย, งงยเราเป็นยังไงเออรถเราเป็นยังไงเราแต่กังวล อะไรก็ตามถ้าเรารู้สึกของเราเป็นเราเป็นตัวตนของเราอยู่เนี่ยใจจะกังวลกังวลในของเรากังวลในความเป็นเรากังวลในความเป็นตัวตนของเราแต่เมื่อไปดับไปพวกนั้นได้มันก็ไปแล้วนะฮะกิเลสเครื่องกังวลก็ไปแล้วแล้วท่านบอกว่ากีนาสวะภิกษุละบัญญัติเสียแล้วไม่ติดมานะแล้วอ้นี้ อธิบายคุณสมบัติของพระอรหันต์ก็เก่งนะฮะหมายความว่าก็อย่างที่เล่าฟังว่าเป็นเทวดาที่มาจากคนโดยสารเรือแต่ปั๊บเป็นเทวดาความรามีลความรู้เรามีแสดงว่าก็อยู่ในจิตสัาดาลของท่านถ้าก็ต้องผ่านอะไรมาในสังสารวัตรนฮะรอบรู้อะไรเยอะเลย อย่างพระสูตรเจอมาแล้วทังสามสูตรเนี่เราจะเห็นว่าเทวดาชุดนี้รอบรู้ ม, มากเกง่งอธิบายคุณลักษณะของพระอาหารว่าภิกษุละอากีนาสวะภิกษุละบัญญัติเสียแล้วหมายความว่าภิกษุที่ไม่มีอาสวะเนี่ยก็ละบัญญัติบัญญัติมันก็มีสมมุติบัญญัติอัฏฐบัญญัติสัทธะบัญญัติอะไรตไ่าง สมมติบัญญัติก็แล้วแต่เราจะเรียกอะสมมติเอาเป็นคนเป็นสัตว์เป็นสิ่งเป็นบ้านเป็นเรือนเป็นนกเป็นอะไรต่ต่างๆก็สมมุติเอาแล้วก็อธถบัญญัติก็คือมาความมาเช่นบ้านเช่นเรือเช่นเช่นจีเนี่เช่นสัตว์เช่นแมวเช่นอะไรต่ออะไรเมื่อเราบัญญัติเรารับรู้ว่าแมวเป็นอย่างนี้นกเป็นอย่างนี้หมูเป็นอย่างนี้บ้านเป็นอย่างนี้รถเป็นอย่างนี้ต่อมาพูดเฉพาะเสียง พูดว่าไปนั่งรถตู้คนก็นึกถึงพาลรถตู้ได้แล้วรถตู้เบอร์ั้นเบอร์นั้นเบรนั้ น, เ ร, น, นเราก็ไปได้แล้วนั่นก็แสดงว่ามนาสายสัท ธ, ธาบัญญัติคือได้ยินเสียงที่กำหนดขึ้นมาว่ารถตู้ที่อื่นเขาเรียกยังไงไม่รู้เราเรียกรถตู้แล้วเราก็ไปได้ก็บอกสัญญาสัญญาณอะไรให้สักหนอเราก็ไปได้ เพราะอะไรเพราะว่าท่านไม่ติดในมานะไม่รู้สึกว่าเราเป็นอย่างนั้นเราเป็นอย่างนี้เราเป็นอย่างโน้นแล้วก็ตัดตัณหาในนามรูปนี้เสียจแล้วมันก็หมดอะนะก็โลกมันมีแค่นามารูปพอหมดนามารูปตัณหาในนามารูปพอหมดมันก็หมดอะพะตัณหาเองมันก็เป็นนามนะ สิ่งที่ใจเราดิ้นรนทะเลทยานอยากนั้นเป็นรูปก็มีเป็นนามก็มีเพราะตัณหาเนี่ยที่จริงมันก็เกิดขึ้นในอารมณ์หกรูปตัณหาสัทธตัณหาการธาตตานารสตัณหาผุตภาพตัณหาก็อารมณ์หกอย่างทีนี้เมื่อตัณหาเขดับหรือว่านามรูปที่เรายึดถือเนี่ยสมบัตกรณีนั้น เราไม่ยึดถือมันก็เราไม่เกิดปัญหาในนามรูปที่เราไม่ยึดเอาก็จริงมันก็ปัญหาข้างในเรามไม่ใช่ปัญหาอยู่ข้างนอกนะเราคิดจะมีปัญหามันก็มีปัญหาเราไม่คิดห้มีปัญหามันก็ไม่มีปัญหาแล้วก็ท่านก็บอกว่าผู้เทวดาพวกมนุษย์ในโลกนี้ก็ดีในโลกอื่นก็ดีในสวรรค์ทั้งหลายก็ดีในสถานที่ ในสถานเป็นที่อาศัยแห่งสัตว์ทั้งปวงก็ดีโดยความเราสังเกตนะฮะเทวดายืนยันความมีอยู่ของสวรรค์เพราะท่านมาจากสวรรค์แต่ว่าคนทั่วไปเนี่ยมีเป็นคนเป็นนันมากที่ไม่เชื่อความมีอยู่ของสวรรค์ในโกโดยเราลูนสังเกตว่าคนที่พูดเรื่องสวรรค์ในโกเนี่ยก็มาจากสวรรค์ ก็ไปสวรรค์มาเขาเห็นสวรรค์ก็ไปสวรรค์หรือมาจากสวรรค์ภูพงศก็เหมือนกันคือที่พูดถึงพรหมเนี่ยไปพรหมโลกอย่างพระเจ้าทำไปพมหมโลกมาแล้วพระพุทธเจ้าไม่ต้องหวนคือว่าใายได้ทั้งทิพเปรตทั้งทั้งญานทั้งอะไรแต่อะไรต่างๆนี่ก็รู้สากละโลกได้เพราะเป็นลกวิทูไปรู้แจ้งโลก เป็นการแสดงให้เห็นถึงความเป็นสากลของธรรมะหมายความถ้ากิเลสเกิดขึ้นที่ใจใครอ่ ะ, ก, ก, อะก็มีปัญหาหมดอันแหละกิเลจยิงแรงเท่าไรมันก็มีปัญหาเราจะเรียกร้องสมานฉันยังไงก็ตามถ้าอาการภายในใจเรายังมีอยู่ยังมีริษยายังมีแข่งดียังมีเบียดเบียนยังมีแบ่งฝักแบ่งฝ่าย หรือบาีก็ชกลมข้างเดียวนะฮะใครไม่ชกด้วยหรอชกอยู่งนะั้นแหะชกลมอยู่ข้างเดียวมันก็เดืร้อนน่ะและใจมันก็ไม่สงบเ พ, พราะอะไรเพราะว่าภายในใจเรามีกิเลสแต่เราก็ไม่ค่อยตรวจสอบตัวเองนะฮะเราก็ตรวจสอบคนอื่นปัญหาเกิดที่เรานะฮะแต่ที่เราจะตรวจสอบที่เราเราก็ตรวจสอบที่คนอื่นเลย ก, ก็ยุ่งอยู่อย่างเงี้ย เันโทษของตัวเองเนี่ยมันจะเห็นได้ยากเห็นโทษคนอื่นได้ง่ายนะเพราะว่าเราไม่ได้ใช้ตาในเาใช้ตานอกแล้วก็ตูนําด้วยกิเลสด้วยริษยาด้วยมานะด้วยแข็งดีด้วยความโกรธด้วยอะไรก็ตามอ่ะคือถ้าไปกีกิเลสครับเกี่ยวข้องนี่ก็ยุ่งทั้งนั้นท่านบอกว่าก็ไม่พบขีณาศพภิสูจนั้น มีเครื่องผูกอันตัดเสร็จแล้วไม่มีทุกข์ไม่มีตัณหาเป็นการแสดงอะไรเป็นการแสดงถึงว่าคนที่บรรลุเป็นพระอานัานทกีนสุเนี่ยมันดับชาตินะฮะดับพบเพราะบันท่านท่านดับบัณงเต้นนั่นแหละอวิชชาตนหนาวประทานกรรมหมายความดับกิเลสกกรรมเมื่อ อุปาทานดับตัณหาดับอุปาทานดับพบก็ดับพบก็ดับชาติก็ดับชาติกระับ ช, า ร, บชารามนัสโศกกระเทียวทุกขโทมนานติตตามมาเป็นแถวมันมันไม่มงียบเพราะไม่มีตัวตนให้แก่ไม่มีตัวตนให้เกิดไม่มีตัวตนให้แก่ไม่มีตัวตนให้เจ็บไม่มีตัวตนให้ตายไปไปหาที่ไหน pivot, มันก็ไม่เจอ นี่แหละปัญหาเรานี้ยที่ยังมีอยู่เยอะในพระบาลีเนี่ยสังคมไทยเรายังเฉียงเรื่องนิพพานเนี่ยเนี่ปุถุชนไปพูดอธิบายนิพพานเฉื่บๆเ่ยมันไม่ได้มันต้องดูว่าพระพุทธเจ้าตรัสว่าอย่างไงเราไม่เคยนิพพา น, เ, นเราจะรู้นิพพานได้ไงเราก็บอกพระพุทธเจ้าว่าอย่างเนี้ยแล้วสอดรับกับพระพุทธดํารมหลักที่ทรงแสดงในธรรมาจั ก, กรวตรดสูตรซึ่งเป็นธรรมเทศนาครั้งแรก หรือแม้แต่พุทธฐานที่ทรงแสดงในตอนสุดท้ายว่าจิตเราเนี่ยดูก่อนตันหาผู้สร้างเรือนบัดนี้เราเห็นเจ้าแล้วอุปกรณ์ในการสร้างเรือนทั้งหมดเรือนยอดเถือวิชาอะไรแต่แรงต่างเราดับมาแล้วจิตเราเข้าถึงนิสังขารไม่มีอะไรเป็นเครื่องปรุงแต่งที่ทรงแสดงว่า การหลุดพ้นของพระองค์ไม่กำเริบชาตินี้ของพระองค์เนี่ยเป็นชาติสุดท้ายคือชาติที่เป็นเจ้าชายจิตตถาเนี่เป็นชาติสุดท้ายพระอง์ก็ไม่มีพบใหม่เพราะถ้าเราดูในพระบาลีไตรปิฎกข้อความจะเป็นอย่างเงี้ยสอดรับกรรมมันต่างกันแต่ภาษาที่จะใช้สื่อแต่วเ น, นื้อหาสาระแล้วนิพพานไม่มีพบมีแต่ภูมินะฮะมีแต่โลกุตรภูมิ แต่ไม่มีโลกุตระพบในที่ใดๆ ไ, ไม่ว่าในโลกนี้และโลกไหนๆในที่นีเ้เทวดายกมาว่าพวกมนุษย์พวกเทวดาพวกมนุษย์ในโลกนี้ก็ดีในโลกอื่นก็ดีแสดงว่าต้งเทวดาทำมนุษย์มีเฉพาะทั้งมีทั้งในโลกนี้และในโลกอื่นและในสวรรค์ทั้งหลายก็ดีสวรรค์ก็มีเฉพาะเทวดานะฮะ มนุษย์ก็ต้องตายไปเกิดเป็นเทวดาจึงจะอยู่สวรรค์ได้ในสถานที่ที่อาศัยแห่งสัตว์ทั้งปวงก็ดีเอาทั้งปวงเลยที่ไหนก็ไม่รู้มีคำว่าสัตว์อยู่ในสถานที่นั้นจะไม่มีพระอาหารหันตดาบีนาสุไปอุบัติในสถานที่นั้นเพราะการอุบัตมันมามันอุบัตมาจากกิเลสกิกรรมตัวโซสร้างไปส่วนสิวิญญาณเมื่อทันดับมันก็ดับ ไหาที่ไหนมันก็ไม่เจอนี่คือเทวดากล่าวต่อพระพักร์พระพุทธเจ้านะและ้วพระเจ้าก็ส่งนโมทนาอย่างที่บอกแล้วว่าเป็นการคุยกันระหว่างพระพุทธเจ้ากับเทวดาแต่ทําไมมันผ่านกระบวนการมาก็พระเจ้าไปทรงแสดงให้พระอนุลพระอนุลไปแสดงกับพระสังกิติกาจาร และในขณะเดียวกันการที่ภาษาจิติกาอาจารย์ท่านส า, ส, าสังวัตชายได้เนี่ย<ม>ก็หมายความว่าสิ่งเหล่านี้เรียนกันอยู่ในขณะที่กุฎเจ้ายัางทรงประชวรอยู่นั่นแหละบางก็นําไปท่องกันเพราะว่าพวกนี้จะมีเป็นกลุ่มในการเรียนพระสัทธรรมเนี่ยพวกนี้อยู่ในกลุ่มสังยุตติกายก็เป็นสังยุตภานาาาจารย์ มัชจิปนิกายก็เป็นกลุ่มของเรียนสาทยายพระสูตรในมัชจิปนิกายแต่ถ้าเรามองถึงภาพความจริงว่าต้องสังเายนายพร้อมกันหมดอะ่ะห้าร้อยรูปเจ็ดร้อยรูปพันรูปสังเกนาสามครั้งเนี่ยก็แสดงว่าพระอาารเหล่านั้นท่านจา์ได้หมดเพราะอะไรเพราะถ้าเราดูที่ไปสามพิธาสี ก็จะมีความชัดเจนว่าพระอาจท่านแตกฉานในเรื่องนี้แตกฉานทั้งในรูปภาษาคือว่าการตามความจริงบาลีเนี่ยนะถ้าเราตั้งใจเรียนเนี่ยเราจะจําง่ายกว่าท่องภาษาไทยภาษาไทยนี่ท่องยากภาษาบาลีนี่ท่องง่ายนะท่องง่ายเราสามารถจะท่องปาลีโมกายในสิบห้าวันเนี่ยได้ ขอเพียงแต่ให้มีเวลาท่องประมาณวันละสามสี่ชั่วโมงเอาตรงไหนก็ไม่รู้แต่วันนั้นสรุปไปได้ตักงสามสี่ชั่วโมงเราก็ท่องได้ละวที่จริงไม่ถึงสิบห้าวันเลยซ้ําไปเพียงแต่ว่าที่ไม่ได้เนี่ยคือไม่ท่องบาลีเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นฉันทลักษณ์แล้วก็คําในการสอดคล้องกันแล้วเราก็เรียนธรรมะที่เป็นภาษาไทยมาก่อนแล้ว ตอนพอเจอบาลีมันก็มีอะไรอ่ะก็จับประเด็นได้วันนี้คเรื่องอะไรนะเช่นเรื่องขันห้าอย่างเงี้ยขันห้าในใจรักอย่างเงี้ยเราก็เรียนเรื่องขันห้ามาแล้วอะเราไปจำขันห้ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณมาแล้วตอนพอเราท่องได้ชุดหนึ่งท่องในชุดรูปได้เนี่ยมันก็เปลี่ยนตอนเวทนาก็เปลี่ยนเอาสัญญาก็เปลี่ยนเอานสังขารก็เปลี่ยนเอาวิญญาณก็เปลี่ยนเอาก็ตัวเรียนไวยากรณ์มาแล้ว เรีนบาลีมาแล้วเราก็รู้ลิงรู้วัจะนะรู้เพศรู้ว่าไอรู้ไอรู้ไอลิออองของเขาเนะีฮะคือเพศของเขาก็เป็นนปุงศักลิงตัวนี้เป็นถีลิงตัวนี้เป็นบุงลิงตัวนี้เป็นนปุงศักกลิ่มก็เปลี่ยนไปตามวิพัฒน์ปัจจัยต่างๆเพลันทหารทั้งหลายยิ่งสุดยอดเลยเพราะว่าใจท่าน ท่านไม่มีอะไรอ่ะจะมีแต่ทำล้วนๆอยู่การทรงจํามันก็กลายเป็นเรื่องธรรมดาสำหรับท่านอย่างพระอนุนตอนที่ท่านท่องที่จริงท่านเป็นประโสดาบันอยู่นะทั้งหมดเนี่ยท่านจําตอนเป็นประโสดาบันพอท่านก็เพิ่งบรรลุมรรคผลเป็นพระหันใน ตอนวิจญาณนิพพานแล้วรุงในเช้าจะสังกายนาเนี่ยทางก็บรรลุงมาพุนเพราก็แสดงว่าพระนนลก็เป็นนักจําชั้นยอดนะ ก, ก็ยังไม่กล่วงอะเวลานี้เวลาสอนหนังสือพระเาพ่อสอนพระเนี่ยเราจะลองสามดูนะ่ส่วนใหญ่ท่านไม่ค่อยท่องกันแล้วก็จํากันไม่ค่อยได้ บางทีก็น่าน้อยใจนะให้สงเคราะห์ อ, อาริยมรรคลงในใจที่ขาดสงเคราะห์ไม่ได้คือยังนึกเป็นห่วงอนาคตแต่เราก็ทำอะไรไม่ได้หลอกนะว่าในการอนาคตเนี่ยเมื่ออิทธิพลของสภาพแวดล้อมที่อยู่ในกระแสโลกาภิวัตน์เนี่ยถูกนำความคิดของสังคมไปเรื่อย เดือดรุ่งรุนใหม่เนี่ยเขาจะมีท่าทีต่อธรรมะอย่างไงต่อศาสนาอย่างไงมีความรู้สึกต่อศีลธรรมอย่างไงหรือถ้าเราดูแล้วเราจะเห็นว่าอศีลหนานี่มันจะเริ่มเสื่อมข้อการเมืองสมิชาจานี่เสือเออาาเส่อมไปเยอะข้อมุสาวาตก็เสื่อมไปเยอะแล้วข้ออธินาทานมันก็มีเงื่อนไขที่สร้างขึ้นให้เป็นความชอบธรรม ขอสิ่งเสพติดก็ไปเยอะนะฮะก็ปนานาก็ไม่เบาเพราะถ้าสีห้ามันหายไปคนแม้ความสำคัญเกศสีเนี่ยจะอยู่กันได้ยังไงมันเป็นกะลียุคเลยนะเป็นกะลียุคเลยเห็นการก็เป็นสัตว์ที่ตัวเองมีสิทธิอันชอบทมที่จะล่ล่า แล้วกระแสเหล่านี้มันสร้างขึ้นมาจนจนได้เงินไขยอย่างนั้นใครก็พวกที่ก่อการร้ายทั้งหลายในโลกเนี่ยมันรู้สึกเป็นเกียรติยศที่ได้ฆ่าคนอื่นน่ากลัวนะฮะเป็นความคิดที่น่ากลัวมากก็ยังนึกถึงคำกรรทของไรทโนมาเกษตรณีที่บอกว่าเมืองใดร้ายทำอัมพัยเมืองนั้นบรรลัยแน่เอ้ย หลงพอพุทธธาตุก็ตะโกนกูกล้องอยู่ก่อนจะณน า, าพาสินทรรมให้กลับมาโลกาเจพินาต์ก็เป็นปัญหาที่ช่วยกันคิดเท่า น, นั้นเองต้องฟังทั้งหลายเสียงธรรมจากมหาวิทยาลัยศรีปทุมในวันนี้ขอยุติไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญงอกงามไพรูในธรรมยงมีแต่ท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยทั่วกันสวัสดี